ต่อไปนี้จะพูดธรรมะให้ท่านที่มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตของเราที่เกี่ยวกับตัวเราและเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับตัวเราก็คือเรายังเป็นสัตว์โลกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ภพที่ลราเวียนว่ายตายเกิดนี้มีอยู่สามภพด้วยกันเรียกว่าตายภพคือกามภพรูปภพและอรูปภพกามภพก็คือภพของผู้ที่ยังไม่สามารถตัดกามตัณหาหรือยังไม่สามารถตัดกามตัณหาความอยาก ในรูปเสียงกิรลดโภตภาได้คือตัดแบบเท้าบอก็ดีหรือตัดแบบไม่เท้าบอลก็ดีก็ยังจะต้องเกิดมาเกิดในกามะภพกามะภพนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่ดีเรียกว่าสุคติคือสวรรค์ที่อยู่ของเทพทั้งหลาย ส่วนที่ไม่ดีเรียกเรียกว่าอบายเป็นที่อยู่ของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกสาเหตุที่ทําให้ต้องไปเกิดในอบายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกก็เพราะว่าเวลาเสกกามนั้น เสพด้วยการกระทำบาปคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดโัวเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านนี่คือปัจจัยที่จะทำให้ทำบาปเมื่อทำบาปแล้ว ก็จะต้องไปใช้บาปในอบายไปเกิดในอบายการไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็เป็นเพราะว่าทำบาปด้วยความไม่รู้ทำบาปด้วยความหลงเห็นผิดเป็นชอบคิดว่าไม่เป็นบาปเช่นฆ่าผู้อื่นเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองอย่างนี้ทำโดยที่คิดว่า ไม่เป็นไรพ่อต้องเลี้ยงบากเลี้ยงทองอันนี้ทำไปแล้วผลก็คือจะต้องไปเกิดเป็นเดลชะน์แต่ถ้าทำบาปเพราะความโลภความอยากได้มากๆทั้งๆที่สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทำบาปเพียงแต่ว่าจะไม่ร่ำรวยจะไม่มีเข้าของเงินทองมาก แต่อยากได้มีอยากมีมากๆก็ทำบาปเพื่อจะได้มามากๆอย่างนี้ก็จะเป็นเปรตตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปเพราะความกลัวกลัวอดอยากกลัวอะไรต่างๆกลัวอดตายเลยทำบาปเพื่อที่จะสะสมสิ่งของ อะไรต่างๆไว้ปกป้องรักษาชีวิตของตนหรือทำลายชีวิตของผู้อื่นเพื่อป้องกันชีวิตของตนเพราะกลัวว่าเขาจะมาทำลายชีวิตของตนอย่างนี้ก็ตายไปก็จะเป็นอสูรกายถ้าทำบาปเพราะความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นโกรธเกลียดจองเวรจองกรรม ตายไปนี้จะต้องไปตกนรกนี่คือการมาพบส่วนที่เลวส่วนที่ไม่ดีเพราะมีความทุกข์มากมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขถ้ามีความสุขก็น้อยมากสุขแบบเดลฉานสุขแบบเปรดนี้มีความสุขน้อยมากมีความทุกข์มากกว่าส่วนพบที่ ดีที่เรียกว่าสุขติก็คือพบของมนุษย์และของเทวดาทั้งหลายที่ยังเสพกามกันอยู่มนุษย์นี่ก็ยังเสพกามแต่เนื่องจากไม่ได้ทำบาปด้วยการเสพกามเวลาเสพกามเช่จนจะร่วมหลับนอนก็ต้องก็ต้องสู่ขอให้ถูกประเพณีมีสามีมีภรรยาของตน ไม่ประพฤติผิดโปรยนีไม่ผิดศีลข้อสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเสพกรรมโดยไม่ได้ทำบาปหรือเสพกรรมอย่างอื่นโดยไม่ได้ฆ่าไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้โกหกหลอกลวงไม่ได้เสพสุลายาเมาการาาาเสพกรรมโดยที่ไม่ได้ทาบาปก็จะเป็นผลให้ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเสพการไม่ได้ทำบาปแล้วยังมีใจบุญสุนทานมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีทรัพสมบัติมากก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากที่เดือดร้อนพวกนี้ก็ตายไปก็จะเป็นเทวดาอยู่ในรูปประพบเหมือนอยู่ในกามประพบเหมือนกามวับกาม กามาพบเหมือนกันเคยยังเสพกามอยู่ถ้าเป็นเทวดาก็เสพรูปเสียงกลิ่นลดที่ละเอียดที่เรียกว่ารูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเป็นต้นนี่คือที่อยู่ของผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะกําจัดกามตัณหาวิภวะตัณหาและภาวะตัณ ห, หาให้ หมดไปหรือว่าให้ให้สงบตัวอยู่ชั่วคราวตรงนี้ตายไปแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทศบ้างถ้าทำบาปก็ต้องไปเกิดเป็นเดชะชานเป็นเปรตเป็นอศุลกายเป็นสัตว์นรกส่วนผู้ที่สามารถลั ง, งับกามาตัณหาคือ หยุดการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาได้ชั่วข่าวหรือได้ถาวรนก็จะได้ไปเกิดในรูปภพหรืออรูปภพถ้าได้รูปปัจาน4ก็จะไปเกิดในรู ป, ปภพถ้าได้อรูปปะชานสก็ได้ไปเกิดในอรู ป, ปภพ รูปภพและอรูปภพนี้ก็คือสวรรค์ชั้นผอมนี่เองสวรรค์ของผู้ที่ไม่เสพกามผู้ที่ระงับดับกามตัณหาได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายและสามารถระงับดับกามภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาได้ชั่วคราว แต่ยังบางท่านก็ระ ง, งับได้ถาวรบางบางท่านก็ระ ง, งับได้ชั่วคราวผู้ที่จะระ ง, งับได้ถาวรนี้ต้องเป็นผู้ที่จเจริญปัญญาและบรรลุธรรมขั้นอนาคามีคื่อได้พิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาว่าเป็นอสุภะไม่สวยไม่งาม พิจารณาว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่มีความอยากในกามผู้ที่บรรลุขัานอนนาคามีก็จะถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมที่มีอยู่ห้าชั้นด้วยกัน แล้วก็จะสามารถเจริญปัญญาและบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปถ้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็จะหลุดพ้นออกจากตายภพคือหลุดพ้นจากกามภพรูปภพและอรูปภพก็จะประทับอยู่ในพระนิพาน ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีดต่อไปคือออกจากวัตตะสงสารออกด้วยปัญญาสนับสนุนด้วยศีลและสมาธิและทานนี่คือเหตุที่จะทำให้จิตแต่ละดวงนั้นเป็นสูงเป็นต่ำไปเกิดในภพนั้นภพนี้อยู่ที่การปฏิบัติ ทางกายวาจาใจถ้าทำทานรักษาศีลก็จะไปเกิดเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์ถ้านั่งสมาธิได้รูปฌปานก็จะไปเกิดเป็นพรมชั้นรูปประพรมถ้านั่งสมาธิได้ได้ได้ขั้นอรูปฌานก็จะไปเกิดเป็นพรม ในในชั้นรูปภพถ้าจเจริญปัญญาวิปัสนาพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันถ้าตายไป ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดในกามาพบอยู่เกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์แต่จะมีไม่เกินจะจะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดครั้งไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จ ะ, จะเจริญปัญญาและขยับขึ้นสู่ขั้นอนนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปส่วนผู้ที่ ส่วนพระโสดาบันที่หลังจากได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเริ่มพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยงามของร่างกายจิจณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่น่ารักไม่ได่ายินดีเพราะนอกจากที่จะเห็นส่วนภายนอกแล้วยังเห็นส่วนภายในด้วยเห็นส่วนที่ถูกซ่อนปกปิดไว้ ด้วยผิวหนังเห็นส่วนที่มีอยู่ใต้ผิวหนังเช่นเนื้อเอ็นกระดูกตับไตหัวใจปอดลำไส้สมองและก็เลือดน้ําส่วนที่เป็นน้ําต่างๆเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ําดีน้าเสเป็นต้นเห็นส่วนที่หน้าส่วนที่สกรปรก เช่นอุจจาระปัสวะพอเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเห็นส่วนที่สกปรกของร่างกายก็จะดับการอารมณ์ได้หรือป้องกันไม่ให้มีการอารมณ์เกิดขึ้นได้ถ้าทำได้ในระดับที่เรียกว่าทำให้การอารมณ์เบาบางลงไปจิตก็จะบรรลุ ขั้นที่สองเป็นอรลย บ, บุคคลขั้นที่สองคือเป็นพระสกิดาคามีถ้าตายไปก็จะกลับมาเกิดไม่เกินชาติอีกชาติเดียวก็จะสามารถเจริญปัญญาให้เข้าสู่ขั้นพระอนาคามีได้ถ้าพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลของร่างกาย จนเห็นชัดตลอดเวลาเห็นทีไรก็เห็นว่าเป็นอสุภะเห็นเป็นปฏิกูลเห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีสันเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นอุจจาระเห็นปัสสาวะก็จะดับการอารมณ์ได้อย่างถาวรก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีถ้าตายไปก็จะไปเกิด บนสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพรมของพระอนาคามีนี้มีอยู่ห้าชั้นด้วยกันมีชื่อต่างๆกันไปแล้วก็จะเจริญปัญญาในสวรรค์ชั้นนั้นจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์สามารถทำลายความอยากที่ยังมีหลงเหลืออยู่นั้นให้หมดไป ถ้านางคำนี้ทำลายกาม m ตัณหาความอยากในกา r ได้หมดแต่ยังไม่สามารถทำลายภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาได้จนกว่าจะเจริญปัญญาที่ละเอียดขึ้นไปพิจารณาจิตที่ยังมีภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานี้จนสามารถทำลายได้หมด จิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจิตก็จะหลุดออกจากวัตตะของการเวียนว่ายตายเกิดจะบรรลุพระนิพพา น, านไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่การอยู่ในพระนิพพานหรือการอยู่ในตายภกนี้ก็ เป็นจิตดวงเดียวกันคือเป็นจิตที่ไม่ตายเหมือนกันจิตของพวกเราก็เป็นจิตที่ไม่ตายแต่เป็นจิตที่ยังขึ้นขึ้ น, นลงลงในตายภบอยู่อยู่ขึ้นอยู่กับเหตุคือการกระทำทางกายวาจาใจถ้าทำบาปก็จะไปอบายถ้าทำบุญก็จะไปสวรรค์ถ้า ทำใจให้สงบเป็นฌานได้รูปฌานหรืออรูปฌานก็จะไปสวรรค์ชั้นรูปปภมสวรรค์ชั้นอรูปปภมถ้าเจริญปัญญาได้ขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีก็จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบให้เหลือเพียงเจ็ดชาติสำหรับพระโสดาบัน และสําหรับพระสกิดาคามีก็เหลือเพียงชาติเดียวส่วนผู้ที่สามารถที่จะทําลายกามะ a ปัญหาทําลายกามอารมณ์ให้หมดไปจากใจได้ก็จะได้เกิดเป็นพระอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นเทวดา แล้วถ้าได้จเจริญปัญญาตามลำดับทำลายความอยากที่มีเหลืออยู่ภายในยจิตให้หมดไปก็จะเป็นพระอาหารหันต์จิตก็จะเป็นพระนิพพานไปจิตก็จะอยู่ในระดับพระนิพพานจิตของผู้ที่หลุดพ้นกับจิตของผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ไม่ได้สูญหายไปแต่อย่างใดจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันต์ทั้งหลาย ก็ยังมีอยู่เหมือนจิตของผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในตายพบก็ยังมีอยู่แต่ต่างกันตรงที่จิตของผู้ที่ได้ถึงพระนิพพานแล้วจะไม่มีความทุกข์อยู่ในจิตนั่นเลยจะเป็นจะมีแต่ความสุขเที่ยงเรียกว่าตละมังสุขขังเท่านั้นส่วนจิตของผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในตายพบ ก็จะมีความสุขต่างกันไปตามลาดับถ้าอยู่สุขขั้นสูงสุดของตายพพก็คือสุขขั้นสวรรค์อรูปประผรมลองลงมาก็สวรรค์รูปประผรมลองลงมาก็สวรรค์ชั้นเทพลองลงมาก็พบของมนุษย์ถ้าต่ำกว่ามนุษย์ก็จะมีความสุขน้อยมีความทุกข์มาก เริ่มตั้งแต่ข่านของเดรัชฉาลงไปสู่เปรตสู่อสุรกายสู่นรกเป็นที่มีความทุกข์มากที่สุดจิตใจจะรุ่มร้อนมากที่สุดทาวัดด้วยอุณหภูมิก็จะเหมือนขึ้นถึงร้อยองศาเป็นจุดเดือดของน้ำนี่คือความ แตกต่างของจิตแต่ละดวงที่เป็นอยู่และไม่อยู่ในทุกขณะเวลานี้มีอยู่ทุกรูปแบบจิตที่อยู่นรกก็มีจิตที่อยู่ที่เป็นเปรตก็มีจิตที่เป็นอสุรกายก็มีจิตที่เป็นเดรัจฉานก็มีจิตที่เป็นมนุษย์ก็มี จิตที่เป็นเทพก็มีจิตที่เป็นพรมก็มีจิตที่เป็นโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีเป็นพระอารหันต์ก็มีเช่นเดียวกันจิตนี้ไม่มีวันศูนย์ไม่มีวันหมดมีแต่ว่าจะอยู่ในฐานะใดเท่านั้นจิตก็เปรียบเหมือนกับน้านนําน้ําที่ได้รับการกันกรอง ก็จะมีความสะอาดแตกต่างกันไปอยู่ที่การกรองว่ากรองได้ละเอียดมากน้อยเพียงไรถ้ากรองได้ละเอียดมากน้ำก็จะสะอาดมากถ้ากรองได้ละเอียดน้อยน้ำก็จะสะอาดน้อยนั่นเองการกรองใจก็คือการปฏิบัติทางกายวาจาใจนั่นเอง คือการปฏิบัติทางทานศีลภาวนาถ้าทําทานรักษาศีลภาวนาไปได้มากเท่าไหร่จิตก็จะสะอาดมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าทําได้เต็มที่จิตก็จะสะอาดได้เต็มที่เช่นทําทานอย่างเต็มที่มีเงินมีทองมีข้าวของอะไรต่างๆก็สละไปหมดเลย ไม่มีเก็บไว้สำหรับเป็นของตนเองเลยแล้วก็ออกบวชอาศัยการให้ของผู้อื่นเป็นการเลี้ยงชีพแจ้ง mm hmm. เ, เป็นพระก็เบนตบาทเป็นทิกุนีก็เบนตบาทถ้าเป็นแม่ชีก็อยู่วัดทำประโยชน์ให้กับวัดเพื่อแลกเปลี่ยนอาหารที่ทางวัดจัดจัดให้ ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องการหาทรัพย์ไม่ต้องมายุ่งกับการใช้ทรัพย์รักษาทรัพย์ไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องการจัดการทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นการหาการรักษาหรือการใช้เพื่อจะได้มีเวลามารักษาสินให้สะอาด่อยสุดคือสินห้าสินแปด ศีล ส, สิบศีสองร้อยยี่สิบตามลำดับรักษาศีลได้สะอาดเต็มที่ใจก็จะไม่เศร้าหมองใจก็จะปิดประตูของการไปเกิดในอบายได้แล้วก็มาทุ่มเทให้กับการทำใจให้สงบทอได้ลูกประชานก็จะได้สวรรค์ชั้นลูกประพรม พอได้อารูปฌานก็จะได้สวรรค์ชั้นอารูปภูมิพอออกจากสมาธิแล้วมาเจริญปัญญามาพิจารณาจนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายก็จะได้ขั้นพระโสดาบันถ้าพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิกูลในร่างกายจนเห็นอย่างชัดเจนตลอดเวลา ก็จะได้ขั้นอนาคามีกขั้นสกิดาคามีได้เห็นเพียงบางส่วนบางเวลาถ้าเห็นตลอดเวลาก็จะได้เป็นพระอนาคามีแล้วถ้าพิจารณาตัดกามตัดภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาที่ยังมีอยู่ในจิตให้หมดไปได้ก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมานี่คือการกรอง ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดการกลองจิต ด, ด้วยทานศีลภาวนานี้จะเป็นเหมือนกันทุกการทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นอดีตการอันยาวนานในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ก, ก็มีการสั่งสอนเรื่องทานศีลภาวนานี้ เหมือนกับในสมัยปัจจุบันเหมือนกับสมัยข้างพระพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สั่งสอนเองพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติทานศีลภาวนากันมาสมัยปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่มีพระพุทธเจ้าประทับอยู่แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังได้ถูกเก็บจาลึกไว้อยู่และนำอามะ เผยแผ่สั่งสอนกันอย่างต่อเนื่องก็ยังมีการสั่งสอนเรื่องของการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่อยู่ถ้าผู้ใดาสามารถปฏิบัติทานศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในภพนิชาตนนี้ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากอย่างที่ได้ส่ง รับประกันไว้ในครั้งที่ทรงแสดงเรื่องของการเจริญสติในในสติปัฏฐานสูตรคือถ้าสามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ภายใต้อำนาจของสติสมาธิปัญญาได้จิตก็จะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมาก ถ้ามีความสามารถมากก็สามารถบรรลุได้ภายในเจ็ดวันถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนี่คือเรื่องของการกันกรองจิตใจเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบคือในการมาพบในรูประพบและอรูประพบ มีผู้ที่สามารถปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนและบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้เป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคาสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ระยะเวลาที่ผ่านมาก็สอง0ัน้อกว่าปีแล้วก็ยังมีผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานกันอยู่ อย่างต่อเนื่องกันมาตลอดเวลาเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการที่โกคือไม่เสื่อมไปตามไปตามการตามเวลายังมีประสิทธิภาพมีความสามารถที่จะกลั่นกรองจิตใจของสัตว์โลกผู้ที่สนใจที่จะกั่นกรองให้สะอาดบอยสุดได้เหมือนกับครั้งพระพุทธการ และก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปถึงจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสร้ก็จะสอนแบบเดียวกันสอนเรื่องเดียวกันสอนเรื่องของการกันกรองจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาดังนั้นพวกเราไม่ต้องไปลังเลสงสัยไม่ต้องไปปัดวันประกันพรุงว่า คิดว่าสมัยนี้การปฏิบัติธรรมนี้ไม่สามารถยังให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาสั่งสอนถึงจะสามารถบรรลุได้อันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกหรือจะมาคิดว่ายังไม่อยากที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาน ยังอยากจะสะสมบารมีต่างๆเพื่อให้ได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นการหลอกตนเองเป็นการผลักดันหน้าที่ของตนที่พึงปฏิบัติคือแทนที่จะบำเพ็ญทานศีลภาวนาก็ขอเพียงแต่เจริญแค่ทานบาราีไปก่อนขอให้ช่วยเหลือผู้อื่นไปก่อนเรื่อยๆ ถ้าเจริญแต่ทานบา ร, รมีเพียงอย่างเดียวยังไม่ยอมเจริญศีลบา ร, รมีหรือในขั ม, มบา ร, รมีหรือปัญญาบา ร, รมีที่ได้จากการภาวนาก็ยังจะไม่ได้ตอบรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องบำเพ็ญบา ร, รมีต่อไปอีกไม่รู้กี่กัปกี่กันด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นการลากพาจิตให้ไป แต่กองทุกต่อไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานโดยใช่เหตุเพราะว่าตอนนี้เรามีโอกาสแล้วมีโอกาสที่จะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วเพราะเรามีทางที่จะพาให้เราไปสู่การดับทุกข์แล้วทําไมเราไม่เดินกันไปหรือเดินกันเพียงแค่ช่วงสั้นๆช่วงระยะไม่กี่ก้าวแรก ถ้าเป็นการวิ่งมาราธอนก็วิ่งเพียงครึ่งเดียวไม่ได้วิ่งเต็มมาราธอนก็จะไม่ได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะมาถามตนเองว่า เราจะทำอะไรดีกับชีวิตของเราเรายังจะปล่อยให้ชีวิตของเราจิตของเรานี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆเหล่านี้อยู่ต่อไปหรือเรายังอยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากจากกันต่อไปอีกหรือเราทำไมไม่ตามรอยของพระพุทธเจ้าและของพออาระาอรหันตสาวกทั้งหลาย ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนากันให้อย่างเต็มที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจเวล า, าทั้งหมดที่มีอยู่นี้ให้กับการทำทานรักษาศีลภาวนาไม่ดีกว่าเลยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปอันนี้เราต้องเป็นผู้ที่ จะต้องตัดสินใจเองเพราะไม่มีใครจะตัดสินใจแทนเราได้เพราะว่าไม่มีใครจะปฏิบัติแทนเราได้หลังจากที่เราได้ตัดสินใจแล้วเราจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติทานศีลภาวนาเองแต่ถ้าเรามองถึงผลที่เราจะได้รับและมองถึง ความทุกข์ที่เราจะได้รับถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีทางอื่นก็ต้องมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นคือทางของทานศีลภาวนานี้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเลือกดำเนินและพระสาวกทั้งหลายได้เลือกเดินกันก็เพราะว่าเห็นว่าถ้าไม่ไปทางนี้ก็ต้องไปสู่การเกิดแก่เจ็บตาย อยู่อย่างไม่มีวันจบสิ้นเวลาเราเห็นคนแก่เราคิดอย่างไรบ้างเราคิดถึงตัวเราที่จะต้องแก่บ้างหรือเปล่า <S <S เวลาเราเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราคิดถึงร่างกายของเราที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือเปล่าเวลาเราเห็ <S 2> <S 2> นคนตายเราเคยคิดถึงว่าร่างกายของเรานี้ก็ต้องตายเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเราไม่คิด มันก็จะไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นให้เราคิดหาทางออกจากการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นถ้าเรายังไม่คิดเราก็ควรจะเริ่มคิดกันอย่างที่พระพเจ้าทรงสอนให้คิดอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้ว ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไ ม, right ไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราเกิดมาแล้วย่อมมีพัดการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่บ่อย มันก็จะกระตุ้นให้เราต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกลับมาพัดภาคจากการอีกต่อไปเพราะว่าเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเวลาพัดภาคจากกานันนี้มันไม่สุขเลยมันทุกข์ทรมานใจอย่างมากบางคนนี่ถึงกับต้องข้าตัวตายไป พอทนกับสภาพของความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นั่นเองเราต้องคิดกันเมื่อคิดกันแล้วเราจะได้มีความกล้าหาญที่จะปฏิบัติทางของทานศีลภาวนาเพราะความทุกข์ที่เกิดจากการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้มันไม่มากเท่ากับความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจากการพัดพากจากกันนั่นเอง เวลาเราออกบวชเราก็ต้องทุกเป็นธรรมดาเวลาเราต้องเก็บตัวเราไม่ยุ่งกับใครก็เหมือนกับการตายจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆพัดภาคจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆไปนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนต่อไปอยู่ดีแต่ถ้าเราทำด้วยความสมัครใจพร้อมใจ ความทุกข์ใจนี้จะไม่ดุนแรงเหมือนกับถูกกระชากถูกบังคับให้ต้องพบกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายจากการทัดท่าจากกันแล้วถ้าเราหมั่นปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็จเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ เราก็จะมีเครื่องมือที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการที่จะต้องอยู่ตามลาําพังอยู่ห่างไกลจากบุคคลที่เรารักเราชอบสิ่งที่เรารักที่เราชอบถ้าเราจเจรินสติอย่างต่อเนื่องจิตก็จะไม่คิดถึงเรื่องต่างๆบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆพอไม่คิดก็จะไม่ได้มีความอยากที่จะ อยู่ใกล้กับบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆพอไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์ถึงแม้จะอยู่คนเดียวตามลำพังอยู่ในป่าในเขาก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจถ้าสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องถ้าเจริญไม่ได้เวลาเถลอใจก็จะคิดไปถึงเรื่องคนที่เรารักที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบ แล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเพราะความอยากนี้เองที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจและการไม่มีสตินี้เองที่ทําให้ใจคิดไปถึงเรื่องของความอยากต่างๆดังนั้นถ้าเราได้ออกปฏิบัติกันแล้วเราต้องมีความเข้มงวดกวดขันต่อการควบคุม ความคิดปรงแต่งของใจให้เป็นอย่างมากอย่าปล่อยให้มีช่องให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆได้เลยเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเพราะจะเกิดมีความอยากที่จะไปหาบุคคลต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบดังนั้นถ้าเราออกปฏิบัต ภาวนาแล้วเราจงเป็นจะต้องควบคุมใจควบคุมความคิดด้วยสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยการจะใช้สตินี้ก็มีหลายหลา ย, หลายรูปแบบด้วยกันจะใช้พุโทโธควบคุมความคิดก็ให้บริกรรมพุโทโธไปตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามพอตื่นขึ้นมาลืมตารู้สึกตัวก็บริกรรมพุโทโธไปเลย ก่อนที่จะลุกขึ้นไปทํากิจต่างๆขณะที่ทํากิจต่างๆก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆยกเว้นเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดในปัจจุบันทันด่วนเช่นว่าต้องทาอะไรวนันนี้ต้องเตรียมตัวไปทําอะไรหรือมีอะไรต้องทาในปัจจุบันก็คิดเพียงเฉพาะแต่เรื่องนั้นๆเท่านั้นพอรู้แล้วก็หยุดคิดแล้วก็ กลับมาทำภารกิจที่ต้องทำไปเรื่อยๆแล้วก็บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆถ้าอยากจะหยุดบริกรรมก็จะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนก็ได้คอยเฝ้าดูการกระทาของร่างกายในทุกเอเรียบทไม่ว่ากำลังทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับการกระทาของร่างกายในอเริยบทนั้นๆในกิจนั้นๆ อย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอันขาดแล้วนะพอมีเวลาว่างที่จะมานั่งทำใจให้สงบก็จเจริญสติต่อถ้าจะดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ก็ให้มีใจจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจตรงจุดที่ลมสัมผัสแถวปลายจมูกหรือหรือเหนือบริเวณ ลมผีปากขึ้นมาลมจะสัมผัสเข้าออกตรงนั้นก็ให้เฝ้าดูตรงนั้นเหมือนยามที่เฝ้าประตูเวลาเฝ้าดูคนเข้าคนออกนับคนเข้านับคนออกก็จะดูตรงที่ประตูนั้นการมีสติอยู่กับการดูลมหายใจก็ให้เฝ้ายู่ดูอยู่เพียงจุดเดียวอย่าตามลมเข้าอย่าตามลมออกเพราะจะทำให้ใจไม่นิ่ง าจจะนื่งใจจะต้องอยู่จุดเดียวอยู่ที่เดียวถ้าจะอยู่ที่กลาง อ, อกก็ได้ถ้าเห็นว่าลมชัดที่กลาง อ, อกจะเฝ้าดูที่กลาง อ, อกก็ได้เช่นมีการภาวนาที่เรียกว่ายุบหนอพองหนออันนี้ก็คือดูลมที่เข้าไปที่กลาง อ, อกก็จะรู้สึกว่าพองขึ้นมาเวลาลมหายใจ หายออกมาก็จะรู้สึกว่ายุบลงไปจึงมีการเรียกว่ายุบหนอพองหนอความจริงก็เป็นอานาปนสตินี้เองคือการดูลมหายใจเข้าออกแต่ดูที่ตรงกลาง อ, อกแต่ถ้าดูที่ปลายจมูกก็ดูลมเข้าลมออกเป็นเหมือนกันขอให้ดูเพียงจุดเดียวแล้วก็ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ เป้าหมายก็คือไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องของลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเช่นลมหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมยาบก็รู้ว่ายาวลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้สั้นให้ยาว ปล่อยให้ลมของเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาการนั่งสมาธิเพื่อดูลมหายใจนี้ไม่ได้มีเป้าหมายในการควบคุมบังคับลมหายใจเพียงแต่จะอาศัยลมหายใจเป็นที่เกาะเพื่อที่จะได้ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเท่านั้นดังนั้นเวลานั่งนี้ต้องคอยเฝ้าดูว่าไปคิดเรื่องนั่นนงนี้อยู่หรือเปล่าในขณะที่ดูลมหายใจถ้าไปคิดก็แสดงว่า เสหลสติแล้วต้องกลับมาหาที่ลมหายใจใหม่ก็ะติดอยู่กับการเข้าออกของลมหายใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจิตถึงจะรวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้าจิตไม่เกาะติดอยู่กับลมไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็กลับมาดูลมแล้วก็กลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กลับไปกลับมาก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ หรือถ้าจะใช้การบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นเดียวกันถ้าสามารถเกาะติดอยู่กับการบริกรรมพุทโธอย่างต่อเนื่องได้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้าเกาะติดอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ พอเข้าสู่ความสงบแล้วจิตก็จะเป็นอุเบกขาจิตก็จะเป็นเป็นความสุขมีความสุขอย่างมากความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นมาที่เรียกว่านัตติสันติระลังสุขขังไม่มีสุขใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบผู้ใดได้พบกับความสงบ ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะเบื่อกับความสุขทุกรูปจะไม่สนใจอีกต่อไปเพราะเทียบกันไม่ได้เหมือนฟ้ากับดินเหมือนกับถ้าเราได้รถที่มีสมรรพคภาพมีสมรรถภาพที่ดีกว่ารถเก่าที่มีอยู่เราก็จะไม่อยากจะขับรถเก่าเราอยากจะขับรถคันใหม่รถที่ดีกว่าคันเก่าหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่า ในถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะไม่อยากได้ความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลเถรภะเราก็จะทุ่มเทเวลาชีวิต จ, จิตใจให้กับการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้อย่างต่อเนื่องแล้วต่อจากนั้นเราก็จะขยับขึ้นสู่การปฏิบัติ ทำขั้นอีกขั้นที่เรียกว่าปัญญาเพราะสมาธินี้ไม่สามารถที่จะรักษาความสงบได้อย่างถับได้อย่างถาวรรักษาได้เพียงในขณะที่จิตสงบอยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วพอมาคิดมาเผอปล่อยให้จิตคิดตรุงแต่งก็จะเกิดความอยากเกิดความไม่สงบขึ้นมาทันที ถ้าอยากจะให้กลับเข้าสู่ความสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาหยุดความอยากให้ได้เพราะความอยากนี้เป็นผู้ทำให้จิตไม่สงบถ้ากำจัดความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนมาการจะกำจัดความอยากได้ก็ต้องใช้ปัญญาเท่านั้นเพราะว่าความอยากนี้เกิดจากความหลงความเห็นผิดเป็นชอบ คว่าสิ่งที่อยากได้จะให้ความสุขแต่ความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขเพียงอย่างเดียวมีความทุกข์แถามมาด้วยทุกช้นทุกอย่างจะให้ความทุกข์ด้วยและจะให้ความทุกข์มากกว่าความสุขจะเป็นสุขต้นแต่ทุกปลายเวลาได้อะไรมา ก, ก็จะดี อ, อกดีใจมีความสุขพอเวลาสูญเสียไปก็จะต้อง ทุกทรมารใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังนั่นเองไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงพอมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็จะหายไปหรือจะน้อยลงไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมา นี่คือปัญญาต้องมองให้เห็นอนิจจังเห็นทุกขังในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอนัตตาคือเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบางคับให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลามีวางเวลาก็ไม่สามารถสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้เช่นรถยนต์เคยให้ความสุขกับการพาเราไปตามสถานที่ต่างๆ บางวันเขาก็ขี้เกียจไปสิอย่างนี้ยสตาร์ทก็ไม่ติดอย่างนี้ก็แทนที่จะให้ความสุขก็ให้ความทุกข์แล้เพราะจะต้องไปหาช่างมาซ่อมถ้าน้ํามันหมดก็ต้องไปหาน้ํามันมาเติมถ้ายางแตกก็ต้องเปลี่ยนยางอย่างนี้นี่เรียกว่าเราไม่สามารถสั่งให้เขาได้ตลอดเวลาบางเวลาเขาไม่ยอมทําตามคําสั่งของเรา เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเองนี่คือการมองให้เห็นทุกขังในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่ภายใต้อำนาจภายใต้คำสั่งของเราถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะระงับความอยากได้พอเราระงับความอยากได้ จิตของเราก็จะหายจากความไม่สงบกับกลับเข้าสู่ความสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเลยแล้วก็จะสงบอย่างถาวรเพราะเราจะไม่ผลิตความอยากขึ้นมาอีกต่อไปเพราะเราจะเห็นโทษของความอยากว่าเป็นโทษเป็นต้นเหตุของความไม่สงบของใจเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนี้เองอันนี้เรียกว่าปัญญา ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรสามารถทำลายความไม่สงบให้หมดไปได้สามารถรักษาใจให้สงบไปได้ตลอดเวลาให้ผลิตความสุขที่ที่เลิศที่วิเศษได้ตลอดเวลาอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าตดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวง ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะสามารถผลิตลถแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงได้ตลอดเวลาพอมีรถแห่งธรรมแล้วก็จะไม่หิวกับลาบยศสรรเสริญจะไม่หิวกับลูกเสียงกลิ่นลดผลทพะจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เมื่อไม่หิวก็จะไม่ทุกข์เพราะไม่ต้องไปดิ้นรนหา ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจหลังจากที่สูญเสียไปนี่แหละคือการกันกองจิตใจเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากตาภพบของการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการมาพบจากรูปพบและอรูปพบเกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดจาก การปฏิบัติด้วยตนเองที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องเป็นผู้ผลักดันตัวเราเองให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติไปจนถึงขั้นสูงสุดให้ได้ไม่มีใครจะผลักดันการปฏิบัติของเราได้นอกจากตัวเราเองผู้อื่นเพียงแต่ให้กำลังใจเช่นครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะคอยให้กำลังใจว่าพยายามไปเถิด ความเพียรอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นให้เราคิดอย่างนี้เวลาเราที่มีความท้อถอยให้เราคิดถึงภัยที่กำลังจะเข้ามาหาเราอยู่คือภัยของความแก่ความเจ็บความตายของการพัดพากจากกันที่เราจะต้องพบอยู่ในชาตินี้และในภพต่อๆไปถ้าเรายังไม่สามารถยุติการกลับมาเกิดได้ ดังนั้นเราต้องพยายามปลุกกำลังใจให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆด้วยการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่นิ่งนอนใจเราจะได้รีบขวนขวายปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติและทรงสอนให้ปฏิบัติพอเราได้ปฏิบัติแล้วไม่นานเราก็จะได้รับผล อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับผล ม, มาการปฏิบัติของเราจึงมีความหมายอย่างยิ่งเพราะเราจะได้สิ่งที่เราไม่เคยได้มาก่อนไม่เหมือนกับการกระทาของเราที่เราทําอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่เราได้มานี้มันไม่มีคุณค่ากับจิตใจเลยนอกจากไม่มีคุณค่าแล้วยังเป็นภัยต่อจิตใจเพราะจะทำให้ใจต้องทุกข์ เวลาเกิดการสูญเสียสิ่งต่างๆที่หามาได้นั่นเองดังนั้นขอให้เราตัดการแสวงหาความสุขทางโลกไปให้หมดแล้วพุ่งเข้าหาการหาความสุขทางจิตใจหาความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายด้วยการเจริญทานศีลภาวนา น, นี้เถิดแล้วชีวิตของเรานี้จะมีแต่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 เอวเมวะอิโตทินังเปตังนังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสับเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามานิโชติร a โสยถาสพพิติโยวิวัจ t ันตุสัพพโรโควีนัสตุ มาเตผวะทวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอาพิวาธนสีลิสานิจังุทธาปจายโนจตารุธรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลาง <ม>าคือวันนี้เ่อแม่กับยายแล้วก็ป้ากับที่เลี้ยงมาจากเชียงใหม่แล้วก็อายุใกล้60แล้วก็80แล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังลุงเทีเก็มันลติดด้วยก็ดีก็ได้ก็ได้พูดมาเกือบชั่วโมงแล้ว เดี๋ยวเอาไปเอาซีดีไปเปิดฟังกันแล้วกัน <Yeah. S 1> ก็ฟังต่อไปเดี๋ยวก็จะมีอะไรพูดไปเรื่อยๆ เ, <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะมีการตอบปัญหากันมีคนถามปัญหามาทางอินเทอร์เน็ตก็มี <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีใครอยากจะถามตอนนี้ก็จะให้ถามปัญหาที่เขาถามมาในเฟ BRUCE BOOK ต่อไป <Yeah. S 1> ว่าไหมคารับต่อไปเป็นคำถามจากทาง เฟซบุ๊กพระอาจาร์สุชาติพิชาโตนะครับจากคุณเหมียวนะครับแม่ป่วยเป็นมะเร็งเกือบตายหมอดูบอกลูกที่มาเกิดเป็นคนทำให้ป่วยในวงเล็บเหมือนว่าเป็นเจ้ากรรมมาเกิดด้วยตอนนี้อายุหกถึงเจ็ดขวบเลี้ยงยากหมอดูแนะยกให้พระพอยกให้พระแม่หายป่วย ทำงานได้สองสามเดือนแล้วจากที่เกือบตายอันนี้เป็นความเชื่อควา ม, มงมงายหรือบังเอิญก็ต้องรอพิสูจน์ดูคราวหน้าป่วยข้าวหน้าป่วยก็ลองทำแบบนี้อีกดูก็แล้วกันไม่ต้องไปหาหมอเสียเวลาไม่ต้องไปโรงพยาบาลถ้าทุกครั้งที่ป่วยก็ยกลูกให้คนอื่นเข้าไปแล้วหายก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็แล้วกัน ถ้าไม่หายก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่คำถามของคุณแอนเจลิน่านะครับถามเกี่ยวกับที่พักนะครับปฏิบัติธรรมนะครับอยากกาับเรียนว่าถามพระอาจารย์อนุญาตให้คารวาสไปพักปฏิบัติภาวนาได้ไหมคะช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วมีที่พักสำหรับคารวาสผู้หญิงไหมคือที่บนเขานี้เป็นที่พักของพระส พระสงถ้าเป็นข่าวรานี้ก็ต้องลงไปพักที่วัดยานสังวรารามจะมีที่พักให้พักได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันและอย่างตับต้องพักอย่างน้อยสามวันติดต่อที่วัดยานได้ที่หมายเลขศูนย์สามแปดสามสี่สามหกหนึ่งห้าจากคุณเหมียวนะครับ ผมปฏิบัติโดยการอดอาหารสิบวันพออดได้ประมาณสามถึงสี่วันจะจับกลิ่นสาบคนได้กลิ่นจะฉุนโดยเฉพาะลมหายใจอยู่ห่างก็ได้กลิ่นยิ่งอยู่ในห้องประชุมห้องแอร์กลิ่นฉุนมากเพราะอะไรครับในวงเล็บเป็นทุกครั้งเวลาอดอาหารกินแต่น้ำเปล่าครับสิบวันผมอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไร ก็เป็นเพราะที่ทำมานี่แหละก็อดอาหารอย่างนี้มันก็ถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็ลองดูทำทาอีกแบบดูกลับมากินอาหารตามปกติแล้วเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นแล้วกลับไปอดแล้วเป็นก็แสดงว่าการอดอาหารของเราทำให้เราเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องตื่นเต้นวิสอะไรไปยะใดอย่างใด การรู้การเห็นอะไรนี้ไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับการรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะการรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เห็นอย่างอื่นเห็นไปก็เท่านั้นไม่เห็นก็เท่านั้นงนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นดีอกดีใจหรือเสียอกเสียใจเห็นเท ว, วดาก็ไม่ต้องไปดีใจเห็นเลขเห็นหวยก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นดีใจ เห็นไปก็ไม่สามารถทาให้เราดับความทุกข์ได้ดับความอยากได้ถ้าอยากจะเห็นแล้วก็เกิดประโยชน์คือเห็นแล้วดับความทุกข์ดับความอยากได้ก็ต้องให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นการปฏิบัติทั้งหมดนี้ที่ต้องการให้เห็นก็คือให้เห็นนี้เห็นอนิจจังทุกข์ขาทุกขังอนัตตานี้เท่านั้นแหละถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญา ตาเห็นอย่างอื่นนี้เรียกว่าเป็นโมหะเป็นความหลงทั้งนั้นอย่าไปสนใจไปนันขัดแล้วจะติดกับของกิเลสตันหาโมหะอาวิชาที่จะทั้งที่จะดึงให้เราเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นคำถามข้อต่อไปจากคุณเนธนะครับข้อที่หนึ่งการรักษาศีลต้องสมทานศีลทุกครั้งหรือไม่ คือการรักษาสีนี้ก่อนจะรักษาก็ต้องมีความตั้งใจที่เรียกว่าอธิษฐานเพราะถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราก็จะโลเลได้รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้แต่พอเรามีความตั้งใจแล้วมันก็จะทำให้เราต้องรักษาและการที่จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีสัจจะมีซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของเราหรือไม่ ถ้าเราไม่มีความซื่อสัสตย์ต่อความตั้งใจพอถึงเวลาจะรักษาเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าก็อ่ะขอยกเว้นก่อนหนึ่งข้ออย่างนี้อย่างนี้ก็จะล้มเหลวไปได้แต่ถ้ามีความซื่อสัสตย์ต่อความตั้งใจว่าจะรักษาศีลห้าในวันนี้ใครจะมาเรียกไปดื่มไปอะไรก็จะไม่ไปโดยเด็ดขาดถ้าอย่างนี้ก็จะรักษาได้เั้นต้องอยู่ที่สัต์จะอธิษฐาน การสมาทานนี้ความจริงเป็นการศึกษาเช่นเราไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างเราก็ไปสมาทานกับพระภิกษุที่ท่านได้ศึกษาศีลมาก่อนท่านก็จะบอกว่าศีลห้ามีปาณาติปาตาเวรมณีอาทินนาเวรมณีอะไรการสมาทานนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาขอรับทราบว่าศีลห้ามีอะไรบ้างและมีอนิสงส์อะไรบ้าง ตอนท้ายท่านก็ บ, บอกว่าซีเลนะสุคติยันติแปลว่าถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายจะไปเกิดในสุขติไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นผีนี่เรียกว่าสมาทานเป็นการศึกษาศีลทั้งเหตุและผลเหตุก็คือการรักษาห้าข้อศีลห้าข้อ ผลก็คืออ น, นิสงส์ที่จะได้รับจากการารักษาศีลห้าข้อนี้อย่างบริสุทธิ์ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายผู้ที่จะรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์ก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นชัดเจนแล้วว่าทําบาปข้อไหนแล้วจะต้องไปใช้กรรมในอบายทันทีถ้าเราไม่เห็นอย่าง เห็นอย่างที่พวกเราเห็นกันว่าถ้าทำผิดกฎหมายปั๊บก็ต้องจับเข้าคุกเข้าตารางทันทีพวกเราจึงไม่กล้าทำผิดกฎหมายกันเพราะเราเห็นโทษที่จะตามมาแต่เราไม่เห็นโทษของบาปที่จะตามมาเรายังยังกล้าทำบาปกันอยู่แต่ถ้าเราเห็นอย่างพระสวัวรรบานขึ้นไปเห็นแล้วก็รับรองได้ว่าจะไม่กล้าทำบาปโดยเดขารนั้นการสมาทานศีลนี่ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรารักษาศีลได้แต่ไม่ใช่เป็นเพียงวิธีเดียวอีกวิธีหนึ่งก็เรียกว่าวิรักศีลวิรักก็คือความตั้งใจนี่เราตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาว่าวันนี้เราจะรักษาศีลกี่ข้อก็ว่าไปแล้วเราก็รักษาไปนี่ก็รักษาได้แล้วถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปสมาทานไปศึกษาจากผู้รู้ก่อนว่าศีลห้าศีลแปดศีลสองรอยิบเจ็ดมีอะไรบ้างเนี่ย ก็ต้องศึกษากันไปนี้ก็เรียกว่าศีลสมาทานถ้ารู้แล้วแล้วก็ตั้งใจรักษาด้วยตนก็รักษาไปก็เรียกว่าศีลวิรัตถ้ารู้ว่าทําบาปแล้วจะต้องตกนรกจะต้องไปเกิดอบายอันนี้ก็จะไม่ทําโดยเด็ดขาดอันนี้ก็คือการรักษาศีลอย่างถาวรก็ต้องเป็นศีลของพระอริยเจ้าขึ้นไปเท่านั้นขอเสริมหน่อยครับอ่า ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายเกี่ยวกับการเห็นโทษเห็นทุกจาการู้ด้วยสัญญากับรู้ด้วยปัญญาครับรู้ด้วยสัญญาก็คือเรารู้ว่าถ้าเอาค้อนมาทุบหัวเรานี่มันจะเจ็บแต่เรายังไม่ได้ทุกใช่ไหมเราเพียงแต่รู้เฉยเฉยถ้ารู้ด้วยปัญญาก็คือเอาเอาค้อนมาทุบจริงๆเลยอันนี้รู้รู้ด้วยปัญญาคือต้องต้องเกิดเหตุการณ์จริงถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญา เห็นว่าทาอย่างนี้ปั๊บจะต้องเป็นอย่างนี้ปั๊บขึ้นมาเลยเช่น <g år> เอามือไปจับไฟนี้มันจะต้องร้อนขึ้นมาเลยอันนี้เห็นด้วยปัญญาก็คือต้องไปเจอของจริงเรียกว่าปัญญาถ้าเห็นด้วยสัญญาก็คือพ่อแม่สอนบอกหนูอย่าไปเล่นกับไฟนะเดี๋ยวมันจะเผาร้อนอย่างนี้ก็เรียกว่าสัญญายังไม่เชื่อยังไม่ยังกล้าอยู่ยังกล้าเล่นกับไฟอยู่ พอไปโดนไฟเผาเมื่อลาย่ทีนี้เข็ดละไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกแะจํจำไปจนวันตายเลยนี่คือระหว่างสัญญากับปัญญาดังนั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านจะเห็นด้วยปัญญาเท่านั้นใช่ไหมครับใช่เวลาทำบาปใจฉันจะลุกเป็นไฟขึ้นมาไฟนี่ใจของเรานี่แหละที่เป็นนรกไม่ได้เป็นสถานที่ใจของเราที่สงบอยู่เนี่ยพอไปทำบาปดูเลย ดูมันจะร้อนหรือจะเย็นมันจะสบายหรือไม่สบายให้ดูตรงนั้นเนี่ยมันจะเห็นทันทีคำถามข้อที่สองนะครับเมื่อสมทานศิรแล้วลุ้งขึ้นอีกวันต้องสมทานศิษใหม่หรือไม่ก็เหมือนสมาทานไปหาอะไรเมื่อรู้หรือเราคำถามจากคุณเมธนะครับตัดบาทด้วยข้าวสารอาหารแห้งของดิบ บาปหรือไม่คือโบราณการบินดาบานี้ท่านบินดาบานแต่อาหารสดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระสะสมอาหารไม่ให้สะสมอะไรทั้งนั้นแม้แต่อาหารก็ไม่ให้สะสมให้หาหากินใบวันวันหนึ่งดังนั้นจึงไม่มีธรรมเนียมที่จะใส่ของแห้งกันจะมีแต่ใส่ของสดของที่รับประทานได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระทำอาหารไม่ให้นำกลับข้าวมาทำกลับข้าวที่วัดกันเพราะมันจะเสียเวลาแล้วมันจะเป็นกิเลสเพราะถ้าทำกลับข้าว่างเดียวมันก็ใส่ปรุงแต่งกันอยากจะกินรสแบบไหนอาหารแบบไหนมันก็จะมันจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปจะไม่เป็นสันโดษเก็ยินดีตามมีตามเกิดดังนั้นท่านต้องการให ฝึกพระให้ยินดีตามมีตามเกิดมักน้อยสันโดษก็ให้การบินตบาเนี่เป็นวิธีการเลี้ยงดูแบบมากน้อยสันโดษได้มามากได้มาน้อยก็กินไปตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็สุดแท้แต่จะได้มากินมันไปเพื่อให้มันอิ่มเท่านั้นเองกินแบบกินยาไม่ได้กินแบบกิเละตันหานี่นี่คือเรื่องของการบินตบาทแต่สมัยปัจจุบันนี้เนื่องจาก พุทธศาพุทธบรลศาสอยู่ห่างไกลจากพระศาสนามากไม่ศึกษากันเลยเลยไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรกันก็เลยทํากันแบบผิดผิดถูกถกูพระภิกษุ ท, ที่มาบวชในในบรวรพระพุทธศาสนาก็ไม่ศึกษากันก็เลยทำเป็นผิดผิดถูกถูกของผิดเลยกลายเป็นของถูกไปของถูกเลยกลายเป็นของผิดไปสมัยก่อนก็บิริบารก็ไม่มีการให้พร สมัยนี้ถ้าไม่ให้พรก็แสะดงว่าพระไม่ดีใช่แล้วภาสขี้เกียจใช่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่สนใจที่จะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ศึกษาวิธีการดําเนินของพระพุทธเจ้าว่าทรงดําเนินกันมาอย่างไรเอาความรู้สึกของตนที่เป็นกิเลสล้วนๆมาเป็นตัวตัดสินก็เลยในนี้ทําลายกลายเป็นกิเลสตันหาไปหมดบินทบาทอาหารของแห้งก็อยากจะให้เข็บสะสมไว้นานๆ เก็บไว้เยอะๆบางทีกุฏิไม่มีที่นอนไม่มีที่นั่งกันลองไปดูกุฏิปะบางแห่งเลยหาที่นั่งหาที่นอนไม่เจอเครื่องสังกะทงสังกะทานอาหารของข่า ว, ข อ, าวของหวานเต็มใบมดนั่นแหละผู้ผู้ถามต้องการทราบว่าบาปหรือไม่ครับอาจารย์ไม่บาปแต่มันไม่ควรเท่นั้นเองมันไม่ส่งเสริมให้ภาพสมถะมักน้อยสันโดษมันกลับไปสังเษไป ไปไปทําให้เขาเอามีความมากๆากแล้วไม่สันโดษแต่การถวายอาหารของเค้าของแห้งของมากๆ า, ากนี่ก็ถวายได้แต่ไม่ให้ถวายเป็นของส่วนตัวแล้วไม่ให้ถวายในตอนบินทบาทเช่นเอามาถวายที่วัดอยากถวายเข้าสารสิบกระสอบน้ำร้อยโหลก็ถวายได้แล้วทางวัดจะมีที่เก็บไว้เป็นส่วนกลางของสงเวลา ต้องการก็ถึงจะเอามาใช้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นของพระแต่ละองค์พระแต่ละองค์ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาหยิบเอาไปใช้ได้ต้องขออนุญาตจากสงฆ์ก่อนอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ถ้าอยากจะให้วัดมีอาหารเก็บไว้เผื่อวันที่มันขาดแครนหรือวันที่มันไฟไหม้น้ำท่วมหรืออะไรก็ตามหรือวัดบางแห่งที่อยู่ที่ไกลจาก ผู้คนชาวบ้านที่ใส่บาทก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูพระได้อย่างสมบูรณ์อย่างนี้ก็จะมีญาติโยมที่จะซื้อของต่างๆไปทิ้งไว้ที่วัดไปเก็บไว้ที่วัดทั้งของขาวของสดของแห้งอะไรต่างๆที่วัดก็จะมีโรงครัวมีแม่ชีมีอุบาสิกาที่ไปอยู่วัดช่วยกันจัดทำอาหารมาเลี้ยงพระแล้วก็ เลียงญาติโยมที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่างนี้ทําได้อยู่แต่เวลาบินธบานี้ขอให้ใส่แต่ของสดเนของที่ท่านฉันได้เพราะผ้าบางรูปนี้ท่านถือการบินธบานเคยจะไม่รับไม่รับอาหารหลังจากที่กลับมาจากบินธบานแล้วจะรับแต่อาหารที่ใส่ไปในบาทเท่านั้น แล้วถ้าญาติโยมใส่แต่ข้าวสารใส่แต่ของแห้งเข้าไปนะ้วท่านจะเอาฉันเนช่วงปีใหม่เนี่ยบางทีผ้านี่ลำบากเพราะจะใส่ของคาวของแห้งกันของอหาของสดไม่ค่อยมีบางทีมีแต่เครื่องกระป๋องมีปลากระป๋องมีข้าวสารมีนมมีอะไรเป็นแต่อาหารสดไม่มี พราะคิดว่าจะได้เก็บไว้นานๆเก็บไว้กินได้หลายๆวันเพราะเห็นว่าคนใส่กันเยอะไงช่วงวันปีใหม่นี้คนจะนิยมใส่บาตกันเยอะก็เลยแทนที่จะใส่ของสดก็เลยใส่ของแห้งกันไปทุกคนเลยพ้าก็เลยหาของสดกินไม่ได้ <laughs> ต่อไปใส่บาตให้คิดถึงพ้าที่เขาต้องกินบ้างนะกินในวันนั้น <laughs> ในกรณีเช่นนี้ครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าห้ามญาติโยมใส่ของสดไม่ได้เนี่ยเมื่อได้ของมาเนี่ยสละออกให้ตามโรงเรียนหรือผู้ต้องการเลยจะได้ไหมครับได้ก็แต่ท่านบิณนต า, าเพื่อตัวท่านท่า น, นไม่ได้ไปบิณฑบาเพื่อไปเลี้ยงคนอื่นเป็นหลักเขา้าใจล่าอืมถ่าวแต่แตถ้ามันเหลือกินก็แบ่งให้คนอื่นไปแต่โดยหลักนี้บิณนต า, าเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนไม่ใช่ไปบิณนต า, าเพื่อไปเลี้ยงคนอื่นอันนี้ทําผิดนลักพระวินัยแล้ว ดังนั้นมีบางรูปนะครับที่โดยเฉพาะชุดสังฆทานมาเนี่ยถ้าเกิดว่าได้มาแล้วเนี่ยขายคืนให้กับแม่ค้าเนี่ยผิดวินัยข้อไหนก็ับพระจังพระห้ามซื้อขายอยู่แล้วไงพระไม่มีอาชีพซื้อขายมีแต่ให้อย่างเดียวถ้าจะให้ก็ให้ไปเลยให้เป็นทานไปเลยแต่ไม่มีการซื้อขายกล้เปลี่ยนกัน เพไม่ใช่เป็นอาชีพของพระพระมีอาชีพคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นคําถามข้อต่อไปจากคุณเตงตังนะครับอะไรเป็นที่อยู่ของจิตจิตคิดได้หรือไม่ครับวิญญาณกับจิตเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่จิตนี่แหละเป็นผู้คิดผู้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ร่างกายนี้เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฝืนไม่มีความรู้ไม่มีความคิดอยู่ในร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือผู้ที่คิดผู้ที่สั่งนั้นไม่ใช่เป็นตัวโทรศัพท์แต่พวกตัวคนพูดจิตก็เหมือนกันร่างกายก็เป็นเหมือนโทรศัพท์จิตเป็นผู้สั่งให้ร่างกายนี้พูดพูดรับรู้เรื่องราวต่างๆคือตัวจิต แล้วำคำถามคำถามว่าอย่างไรนะคำถามข้อที่สองข้อที่สามวิญญาณกับจิตเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่คือวิญญาณนี่มีสองชนิดด้วยกันวิญญาณในขันห้านี้คืออาการของจิตคือผู้ที่ทำหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดทธพะเวลาที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้กาย วิญญาณนี้ก็จะเป็นผู้รับข้อมูลเหล่านี้ส่งมาที่จิตอีกทีหนึ่งเช่นเวลาตาสัมผัสกับรูปก็เรียกว่าก็จะมีจักขูวิญญาณปรากฏขึ้นมารับเอาข้อมูลนี้ไปส่งให้กับจิตว่าเห็นรูปแล้วนะเห็นคนนี้แล้วนะนี่เรียกว่าจักขูวิญญาณเวลาเสียงมาสัมผัสกับหูก็จะมีโสตะวิญญาณปรากฏขึ้นมาเพื่อที่จะรับข้อมูลคือเสียงนี้เข้าไปสู่ที่จิต อันนี้เรียกว่าวิญญาณในขันห้าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้นกายไว้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดทปะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้วกายเวลา ม, ามีมีการสัมผัส ก, ก็จะมีเกิดวิญญาณขึ้นมาถ้าทางตาก็เรียกว่าโสตไอ จากขู่วิญญาณทางหูก็เรียก็โสตะวิญญาณมีชื่อต่างๆกันไปเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้เรียกว่าวิญญาณในขันห้าวนวิญญาณอีกอย่างนี้เราเรียกว่าดวงวิญญาณเวลาที่คนตายไปแล้วจิตออกจากร่างกายไปนี้เราเรียกจิตดวงนี้ว่าดวงวิญญาณเป็นดวงจิตที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในนั้นอ่ะลูอานาม เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายเวลาร่างกายตายไปในี่ตายแต่เฉพาะร่างกายแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ยังอยู่กับใจต่อไปสังขาร น, นี่แหละเป็นตัวที่จะส่งให้จิตไปเกิดใหม่ส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่สังขารก็คือความอยากต่างๆนั่นเองความคิดไปในทางความอยากอยากในกามารมณ์ก็ไปเกิดในกามาพบ Yeah. ถ้าไม่มีการมารมจิตสงบก็ไปเกิดในดุลปภพอารูปภพเป็นต้นนี่คือเรียกว่าดวงวิญญาณเวลาออกจากร่างกายไปจิตก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณเหมือนผู้หญิงที่แต่งงานก็เปลี่ยนจากนางสาวเป็นนางไปถ้าเป็นเด็กก็เรียกว่าเด็กหญิงพอโตเป็นสาวก็เรียกว่านางสาวอันนี้เป็นสมมุติเป็นชื่อที่เราให้กับจิตที่อยู่ในสถานภาพต่างๆกัน เวลาอยู่กับร่างกายเขาเรียกว่าจิตใจเวลาออกจากร่างกายเขาเรียกว่าดวงวิญญาณเช่นปฏิสนธิวิญญาณเี่ยในปฏิสนธิไปเกิดเขาเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณดงั้นเราต้องเข้าใจว่าวิญญาณนี้มีสองสองชนิดไม่เหมือนกันก็ละอย่างกันวิญญาณในขันห้าหรือในนามขันนี้เป็นวิญญาณที่อยู่ภายในจิตที่ทําหน้าที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปฐพะ ที่ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกนิ้นกายหรือถ้าไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายก็สัมผัสรับรู้กับรูปทิฟเสียงทิฟกลิ่นทิฟเช่นเวลาร่างกายตายไปแล้วจิตก็ยังสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่เป็นรูปทิฟเสียงทิฟกลิ่นทิฟคําถามข้อต่อไปจากคุณคาร์ตันบัสนะครับจะแก้อิจฉาได้อย่างไรครับ พระพุทธจ้าทงสอนให้เจริญมุติตามุติตาก็คือการชื่นชมยินดีกับความสุขของผู้อื่นความเจริญของผู้อื่นให้เราคิดว่าเป็นอนิสงส์ของการกระทําของเขาก็แล้วกันว่าทําดีได้ดีทํำชั่วได้ชั่วถ้าเวลาเขาได้ดีก็อย่าไปอิจฉาเขาเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรพอไปห้ามไม่ได้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมจะไปขัดไปขวางไม่ให้เขาสุขไม่ให้เขาเจริญไม่ได้ เวลาที่เขาได้ทำเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขความเลริญขึ้นมามันก็ต้องเกิดเช่นเราเล่นกีฬาเนี่ยเราแพ้เราก็ควรที่จะแสดงความชื่นชมยินดีต่อผู้ชน ะ, อ, ะอันนี้ไปโกรเขาไปโมโหก็ทําไมในเมื่อเขาชนะแล้วก็ยอมยอมรับความจริงเสียมันก็จบก็จะไม่มีการอิจฉาริษยายกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณสนธยานะครับทำไมพระสงฆ์ต้องกรองน้ำก่อนดื่มก่อนดื่มพระสงฆ์ในสมัยโบราณนี้ท่านเป็นพระทุดง่งท่านจะอยู่ตามป่าตามเขาน้ำที่จะจะดื่มนี้จะเป็นน้ำในลำธารในลำห้วยในแอ่งน้ำซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์อยู่ในนั้นได้การที่จะดื่มน้ำที่มีตัวสัตว์ที่เราอาจจะมองไม่เห็นเช่นลูกน้าอย่างนี้ ก็จะเป็นการทําปานาติบาฆ่าสัตว์ได้พระพุทธเจ้าถึงต้องสั่งให้พระกรองน้ําก่อนคือน้ําที่จะเดือดนี้ต้องไม่มีตัวสัตว์ถึงต้องใช้ที่กรองน้ําที่กรองน้ํานี่ก็จะเป็นแบบที่เราสามารถจุ่มมันเข้าไปในน้ําแล้วก็ตอนตอนจุ่มลงไปแล้วก็เปิดก้นมันไว้ให้น้ํามันเข้ามาในที่กรองได้แล้วพอน้ําเต็มแล้วก็ปิดรูไปไป แล้วยกน้ำขึ้นมามันก็จะได้แต่น้ำไม่มีตัวตัวสัตว์เพราะว่าจะเราจะมีผ้ากรองอยู่ที่ปากปากของที่กรองน้ำอีกทีหนึ่งนี่เราเรียกว่าการกรองน้ำเพื่อไม่ให้มีตัวสัตว์ที่จะเข้ามาอยู่ในน้ำที่เราจะใช้ดื่มกันแต่สมัยนี้ถ้าเป็นน้ำที่ใสมาในขวดนี้ก็ไม่ต้องกรองสามารถดื่มได้แล้วเพราะว่าได้รับการกรองมาเรียบร้อยแล้ว ไม่มีเชื้อโรคไม่มีสัตว์ต่างๆอยู่ในนั้นแล้วไม่มีการทำลายไม่เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่อย่างใดถึงสมัยนี้จึงไม่ได้มีการใช้เครื่องที่กรองน้ำกันพระทุดงที่เวลาท่านไปอยู่ป่านี้ท่านจะมีที่กรองน้ำติดตัวไปเสมอเวลาบวชนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอัตถบริดีขาน อัาบริลยขานคือทรัพย์สมบัติของพระที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้มีไว้ครอบครองได้อัฐมีแปดชิ้นด้วยกันอัฐแปลว่าแปดบริขานแปดชิ้นคืออะไรคือผ้าจีวรสามผืนนี่ก็สามชิ้นแะผ้าห่มผ้านุ่งผ้ากันหนาวผ้ากันหนาวเรียกว่าผ้าสังขารติผ้าห่มเรียกว่าผ้าจีวรผ้านุ่งเรียกว่าผ้าสมบองมี่สามผืน แล้วก็มีเข็มขัดลัดเอวหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นที่สี่มีดโกนก็เป็นชิ้นที่ห้าบาดก็เป็นชิ้นที่หกแล้วก็เข็มเข็มกับได้ก็เป็นชิ้นที่เจ็ดแล้วก็ที่กรองน้ำเป็นชิ้นที่แปดนี่คือทรัพสมบัติของพระนักบวชท่านพู้เจ้าทรงอนุญาตให้มีเพียงเท่านี้บอกมีเท่านี้อยู่ได้แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไปได้หมด ไปอยู่ในปา่าไปอยู่ที่ไหนก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้เพราะบีบาทไว้สําหรับบินฑบาตมีที่กรองน้ําไว้สําหรับตักน้ําตามลําห้วยมาเดื่ดมาฉันนี่คืออัถบริหารสมบัติของพระพระที่สมถามากน้อยจะมีเพียงเท่านี้คํถาถามของคุณลามีดูนะครับการนั่งกรรมฐาน จะรู้ได้อย่างไรว่ากรรมฐานกองไหนผูกจริตกับเรามากที่สุดนั่งแล้วได้ผลอน่ะดูที่ผลก็แล้วกันถ้านั่งแล้วไม่ได้ผลมันก็ไม่ถูกหรือว่าถ้าลองทุกกองแล้วมันไม่ถูกก็แสดงว่ามันไม่ใช่ที่กรรมฐานแล้วมันที่สตินั่งแบบไม่มีสติมันใช้กรรมฐานกองไหนมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีถ้าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยไป ใช้พุโทโธก็ไม่สงบใช้อนาปานะสติก็ไม่สงบใช้สวดมนต์ก็ไม่สงบใช้อะไรไม่สงบนอกจากดูทีวีเท่านั้นถึงจะสงบอย่างงั้นก็ต้องดูทีวีต่ออไปนะการปฏิบัตินี้ขอให้เราดูผลเป็นหลักผลก็คือความสงบจิตสงบจิตสบายจิตมีความสุข จิตไม่หิวจิตไม่อยากเนี่ยเรียกว่าได้ผลแล้วถ้านั่งไปแล้วยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังอยากจะเดินยังอยากจะกินยังอยากจะเที่ยวยังอยากจะเล่าอยากจะรวยอยู่นี่ก็อย่าไปนั่งให้เสียเวลาแสดงว่านั่งไม่ถูกทางซึ่งเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีการนั่งบแบบนี้คิดว่านั่งแล้วชีวิตจะดีขึ้นจะเล่ารวยขึ้นจะได้ตําแหน่งสูงขึ้นก็ไปนั่งกันไอ้นี้มันนั่งเพื่อกิเลสไม่ได้นั่งเพื่อฆ่ากิเลสเข้าใจไหม ไม่ได้นั่งตามแบบที่พุทเจ้านั่งเขาจะเจ้านั่งนี้ไม่ได้นั่งเพื่อให้ร่ําให้รวยให้เป็นใหญ่เป็นโตหรือให้รักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่นี้ให้มีอยู่ต่อไปนานๆหรือเวลาไม่สบาย อ, อกไม่ร่างกายไม่สบายเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายก็ไปนั่งให้มันหายอันถ้านั่งแบบนี้มันไม่ใช่นั่งเพื่อผลทางพระพุทธศาสนานั่งทางลุลทางศาสนานี้นั่งเพื่อดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้เท่านั้น ความทุกข์ที่มีในใจก็เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี้เท่านั้นดังั้นถ้านั่งเพื่อความโลภตั้งความอยากก็จะเพิ่มความทุกข์ให้ของใจให้มีมากขึ้นไม่ได้นั่งเพื่อทําให้ความทุกข์ในใจมันน้อยลงไปจนเวลาไม่สบายร่างกายไม่สบายก็ไปนั่งพอไม่หายก็ยิ่งทุกข์ใจใหญ่เครียดใหญ่อันนี้ไม่ใช่นั่งเพื่อปรองว่ามันจะตายก็ให้มันตายไป เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นมันไปได้เมื่อถึงเวลามันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ให้มันเป็นไปอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ในใจก็หายไปแก่อย่างสบายเจ็บอย่างสบายตายอย่างสบายนี่นี่คือการนั่งสมาธิเพื่อความสบายใจเพื่อดับความทุกข์ใจแต่ไม่ได้มาแก้เรื่องร่างกายไม่ได้แก้ความยากจน ไม่ได้มารักษาตำแหน่งรักษาอะไรทั้งนั้นในโลกนี้เพราะรักษาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจงเราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเสื่อมมันจะหมดไปแต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้ถ้าเราทำใจให้สงบปล่อยวางนี่คือการปฏิบัติขอให้ดูตรงนี้นั่งแล้วสบาย อ, อกสบายใจยิ้มแย้ ม, แ, ยมแจ่มใสถึงแม้ จะถูกเขาด่าก็ยิ้มได้ถึงแม้จะถูกเขาโกงก็ยังยิ้มได้ถึงแม้จะหมดเนื้อหมดตัวก็ยิ้มได้อย่างเนี้ยแสดงว่านั่งถูกทางนะหมดได้เลยวันนี้มีคําถามส่วนตัวครับพระอาจารย์การทํางานธรรมะครับอาจารย์ผมเคยถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องธรรมะจาัดสรรมาแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าทําในงานธรรมเนี่ยไม่ว่าจะงานธรรมใดๆนะปัจจุบันเนี่ยครับพระอาจารย์ ไม่น่าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นได้เช่นสิ่งที่เราไม่ควรจะได้มันก็ได้ไหมสิ่งบางสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยครับดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเกิดจากอะไรครับอาจารย์เกิดจากผลที่เราทําหรือว่าเกิดจากธรรมะที่จัดสรรม า, ะานะอาจารย์มันก็มีหลายส่วนรวมๆกันเนี่เจะว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเลยก็ไม่ได้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นทานบรารมีของเราเองที่เราเคยทํามา อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกระทําความดีของเราทําให้าพูดอื่นเขาอยากจะร่วมทําด้วยอันนี้มันก็เป็นมีเมีนี่หลายปัจจัยด้วยกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลกับมันมันจะมาก็มามันไม่มาก็ช่างหัวมันเราทําเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันคือหลายสิ่งเนี่ยอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มาบางทีแบบ ่จ น, <ช>จนบางครั้ง อ, อ, อรู้สึกแปลกประหลาดแล้วสั่งภากับสิ่งนั้นมากเลยถึงบอกว่าไม่ต้องไปเรียกอะไรไม่ต้องไปขออะไรทั้งนั้นทําไปเถอด <c oughs> เดี๋ยวเทวดาเขาก็ซีบบอกกันเองอ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะแย่งกันทำซีด้วยซ้ํำไปถ้าเราไม่ไปขอเขาถ้าเราไปขอกันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะถอยหลังหมดเ <c oughs> พราะการขอนี่แหละเป็นการขับไล่ให้คนที่ก็อยากจะทําบุญถอยกันหมด พอเวลาขอแล้วมันจะไม่รู้จักคำว่าพอไงขอแล้วมันจะขอไปเรื่อยๆใหม่ๆเขาก็ยินดีจะช่วยนี่ขอบ่อยๆเขานี้ชักจะเบื่อแล้วเลยชักจะไม่ไหวแล้วงั้นอย่าทำอะไรอย่าไปขออะไรกับใครถ้าเราจะทำเราต้องพร้อมก่อนถ้าเราไม่พร้อมเราก็อย่าไปทาอย่าไปหวังว่าไปขอคนนู้นคนนี้มาทำอย่างนี้จะไม่ถูกแต่ถ้าเราทาแล้วคนอื่นเขาเห็นเขาเห็นแล้วก็ยินดีเขาอยากจะร่วมนี้ก็ เป็เด็กเรื่องหนึ่งปล่อยเข้าร่วมได้ถึงบอกว่าที่นี่ไม่มีการเรี่ยไรไม่มีอะไรทั้งนั้นใครอยากจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เราไม่ได้ทำเพื่อที่จะต้องการอะไรเรามีหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนธรรมะไปแต่ผู้ที่มาแล้วอยากจะทำบุญเพื่อเป็นการบูชาหรืออะไรก็สุดแท้แต่เราได้มาแล้วเราก็ให้สมามาจัดสารไปทิ้ง ใครเดือดร้อนใครมีอะไรต้องการอะไรขาดเหลืออะไรก็จะช่วยเหลือกันไปตามเหตุตามผลถ้าไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่มีก็ไม่ช่วยนั้นเองเรื่องราวเหล่านี้ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเรื่องราวของการดูแลรักษาจิตใจของเราให้สงบให้มีความสุขให้มีความอิ่มให้มีความพอถ้าเรามีความอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะไม่มีความสุขมันจอยาก อยากแล้วมันก็จะต้องไปขอเขาไปเรียอะไรไปอะไรต่างๆแล้วมันก็ทำให้กลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้คนเขาเสื่อมศรัทธาตามมาได้งั้นอย่าทำอะไรแล้วทำด้วยความอยากขอให้ทำด้วยเหตุผลความจำเป็นแล้วก็ถ้าเราอยู่ในฐานะมีปัจจัยที่จะทำได้เราก็ทาไป ถ้าเราไม่มีฐานะไม่มีปัจจัยที่จะทำมก็ต้องทำใจไปว่าเราทำไม่ได้ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนอื่นไปเราก็ทำในส่วนที่เราทำได้ไปพระอาจารย์ครับเมื่อเช้าพอดีได้เปิดไปดูใน facebook กนะครับแต่ว่าเขาเขียนว่าประมาณว่าในวงการสง์เนี่ยระดับนักทรรเอกเนี่ยเขาจะรู้กันว่าพุทธประวัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าออกบวชเนี่ย แต่เขาบอกว่าในวงการสงฆ์นัตธรรเอกเนี่ยเขาบอกอเขารู้กันว่าพระพุทธเจ้าออกบวช ด, ด้วยเรื่องการเมืองและรวมถึงเรื่องอเขาให้คิดเรื่องเหตุและเหตุผลเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าตระสูตรมาเนี่ยและเดินเจ็ดเก้าเขาก็พูดประมาณว่าจะมีทารกที่ไหนเดินได้เจ็ดเก้าอย่างนี้หมายความว่ายังไงครับพระอาจารย์หมายาความาาว่าพวกนี้ตาหุตาบอดทูเหนือยไม่มีปัญญาที่จะเข้าถึง ตัวจิตไม่รู้ไม่รู้พลังของจิตว่าเป็นอย่างไรผู้ที่มีพลังจิตนี่มันทำได้นะเดินเกิดมานี่เดินเจเก้านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากเย็นเลยระดับจิตของพระพุทธเจ้าระดับโพธิสัตว์นี่มันเป็นเรื่องง่ายดายมากแต่ก็พูดแบบคนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยไปเรียนอย่างเดียวเรียนแล้วก็เป็นเหมือนตาบอดคำช้างก็มาทะเลาะกันมาเถียงกันว่า ช้างเป็นหางมะช้างเป็นเชือกบ้างเป็นเป็นงูบ้างเป็นผ้ภาผนังบ้างอันนี้เป็นพวกที่แบบศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติกันยิ่งอย่าไปสนใจกับพวกที่เป็นนักธรรมทั้งหลายพวกนี้เป็นพวกใบาลานเปล่าโพธิลัทนะพวกนี้กิเลส ย, ยังเต็มหัวใจโมหะอวิชานี่ยังเต็มอยู่หัวใจไปฟังหลวงปู่หลวงตาที่ไม่ได้เรียนนักธรรมดีกว่า ไปฟังพระที่ท่านปฏิบัติเข้าถึงตัวจิตโดยตรงดีกว่าล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไรจิตนี้เป็นสิ่งที่ลึกลับมากาัจจันร์อย่างยิ่งมีความรู้ความสามารถที่แปลกประหลาดมาสัจจรนย์ถ้าไม่ปฏิบัตินี้จะเข้าไม่ถึงความจริงอันนี้ต้องปฏิบัติแล้วจะไม่สงสัยในเรื่องเรื่องความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าสาหรับผู้ไม่ปฏิบัตินี้มันเป็นอจินไต่ท่านบอกว่า มันอยู่เหนือวิสัยที่จะรู้ได้เรื่องของจิตนี้ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่เห็นความสามารถของจิตจะไม่รู้ว่าจิตนี้เป็นอย่างไรเรื่องพระพุทธเจ้าอดข้าวถึงสี่สิบเก้าวันนี่อดได้อย่างไรคนธรรมดานี้อดเพียงมื้อเย็นยังอดไม่ได้เลยนับภาษาอะไรอดตั้งสี่สิบเก้าวันเพราะจิตของเรากับจิตของท่านเป็นคนระดับกันเข้าใจไหมดังั้นเราไม่สงสัยเลยเรื่องที่เกิดมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้า ขนาดวัวควายมันออกมามันก็ยังเดินได้เลยเนี่ยจำไหมแล้วทําไมคนระดับพระพุทธเจ้าออกมาแล้วทําไมจะเดินไม่ได้ก็เด็กอัจฉริยะมีไม่ใช่เหลยเด็กสิบสามขวบสิบสี่ขวบนี่เรียนจบปริญญาตรีก็มีความรู้ระดับปริญญาตรีแล้วเพราะจิตของเขามันระดับอัจฉริยะจิตนี่ท่านบอกท่านแบ่งไว้สามระดับเลยจิตที่ฉลาดกว่าพ่อกับแม่จิตที่ฉลาดเท่ากับพ่อกับแม่ ฉลาดจิตที่โง่กว่าพ่อกับแม่เนี่ยมันมีอยู่สามระดับด้วยกันจิตของพระพุทธเจ้านี่เป็นอภิชาตจิตอภิชาตบุตรเป็นบุตรที่ฉลาดกว่าเก่งกว่าพ่อแม่ก็ขนาดเอาครูบาอาจารย์มาสอนวิชาต่างๆพระพุทธเจ้ายังต้องรู้มากกว่าครูบาอาจารย์ที่มาสอนอีกเพราะจิตท่านได้ศึกษามามากแล้วในอดีตประชาติมันติดมากับจิตมันไม่ได้หายไปไหน เราเห็นคนแม้ที่เกิดมาแต่ละคนนี้มีความสามารถที่แตกต่างกันบางคนทำไมเก่งในเรื่องการวาดภาพไม่ต้องมีใครสอนวาดได้อย่างสวยงามบางคนก็แกง่งเก่งในการแต่งเพลงแต่งดนตรีนี่ของพวกนี้มันเป็ น, ปนพรที่ติดมากับตนเองเป็นสิ่งที่เคยทำมาในในอดีตชาติบางคนก็เก่งทางด้านคณิตศาสตร์บางคนก็เก่งทางวิทยาศาสตร์ ของพวกนี้พ่อแม่สอนไม่ได้มันไม่ได้มาจากพ่อแม่มันมาจากมันมาจากกรรมที่เรียกการกระทําในอดีตเนี่ยท่านถึงบอกว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดมีกรรมเป็นเนผ่า พ, พันุ์เนี่ยเนี่ยผู้ให้กําเนิดก็คือการกระทําของเราต่างๆนี่แหละเป็นผู้ที่จะทําให้เรามีความรู้ความสามารถต่างๆอย่างชาตินี้เราก็กําลังมาสร้างกรรมกันมาสร้างความรู้ความสามารถให้กับจิตกันลองนั่งสมาธิแล้วบรรลุ ชาญได้ต่อไปชาญหน้ามันก็จะนั่งสมาธิได้อย่างง่ายดายเวลากลับมาเกิดใหม่เพราะมันนั่งมาได้แล้วนั่นเองแต่ชานินี้ที่นั่งไม่ได้กันก็เพราะว่าชาญก่อนมันไม่เคยนั่งกันชาิก่อนมันมีแต่นั่งดูละครดูทีวีกันเข้าใจไหมเรื่องของจิตนี่มันไม่ตายมันเหมือนร่างกายที่เปลี่ยนเสื้อผ้าร่างกายนี่เป็นเหมือนเสื้อผ้าของจิตแตตัวจิตมันเป็นตัวเดิมนิษฐาเดิม ค่ฉลาดก็ฉลาดเหมือนเดิมค่อยโง่ก็โง่เหมือนเดิมคือคือที่ที่ facebook เนี่ยครับพระอาจารย์เป็น facebook ที่คนตามเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์ผมจําไม่ได้ว่าสองหมื่หรือสองแสนกว่านะครับ <c oughs> และ <c oughs> คนเนี้ยเขาเป็นคนที่เขียนออกมาเล่นที่พูดนะครับแล้วก็เขาพูดประมาณว่าอยากให้มองธรรมะหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เป็นเชิงประวัติศาสตร์มัวแต่เป็นหลงงมงายกับ อ, อภิธิฐานอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์ ผมก็พออ่านแล้วเนี่ยมีข้อหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เลยว่าจะระงับโทสะยังไงเพราะว่าฟังทีไรแบบดาเราไม่ว่าพอด่าพระพุทธเจ้าทีไรมันระงับเพื่อให้ได้โทสาก็บบ <c oughs> เรายังมีกิเลสเยอะถ้าไม่มีกิเลสก็จะมองด้วยความสมเพรเวทนาว่ามันหลงได้ยังไงไม่รู้เรื่องของการเจริญพุทธานุสติว่าเจริญเพื่ออะไร ดันดันเพื่อให้เราเกิดจัตตาที่อยากจะปฏิบัติตามที่ท่านได้ปฏิบัติมาไปสนใจกันเรื่องการเมืองเรื่องการบ้านการบ้าบออะไรต่างๆทําไมดูการปฏิบัติที่สวยงามของท่านไม่ดีไม่ดีกว่าเลยสาเหตุที่จะทําให้ท่านออกบวชนั่นจะเป็นสาเหตุอะไรก็ช่างหัวมันเป็นอะไรท่านได้บวชแล้วท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทาไมไม่ไปสนใจตรงนั้นกันใช่ไหมทำไมไม่ไปดูสิ่งที่เราควรจะดู ท่านฆ่ากิเลสตัดตัณหาได้หมดท่านออกบวชได้ท่านอยู่ในป่าในเขาได้พวกที่มาวิาพากษ์วิจารณ์พระพุทธเจ้ามันอยู่ในป่าในเขากันหรือเปล่าหรือมันบวชแล้วมันก็อยู่ในห้องแอร์บินนบาดมันก็ไม่บินกันแล้วก็มานั่งวิาพาควิจารณ์พระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีลูกศิษย์ที่ไหนจะมากล้าวิวาพาควิจารณ์ครูบาอาจารย์นอกจากพวกที่มันบ้าเท่านั้นแหละ ไม่รู้เลยว่าตอนเองบวชได้เพราะใข่ศาสนามีนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะใข่ไม่เคยคิดกันบ้างบองคนวิาพากควิจารณพระพุทธเจ้าไปไหนแล้รูปแบบเลยไม่รู้ว่าวิภาควิจารณไปทำไมทำไมไม่ดูส่วนที่เอส่วนที่เป็นสิ่งที่คนจะดูกันเอาจริงไม่มีส่วนไหนที่ไม่ดีแล้ว ไอ้ที่วิพากษ์วิจารณ์ก็พูดกันไปแบบไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีใครรู้จริงใครใครเกิดอยู่ในสมัยนั่นกันบ้างรู้เรื่องการเมืองการบ้านของเขาว่าเป <Belle> ็นยังไงบ้างเว่ามันพูดกันเป็นตุเป็นตะมันวิญญาณนรรคายนะทุกวันนี้พวกนิยายละครก็อย่าไปเชื่อมันนะมันเขียนเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องผีเรื่องบ้านเรื่องบอลต่างๆนี้มันไม่เคยเจอกันหรอกมันเขียนไปตามจินตนาการของมันเั่านั้นแหละของจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก ถ้ามันเก่งจริงมันไปเขียนในป่าช้าดูเลยมานั่งเขียนในห้องแอร์มันเขียนได้เลยจินตนาการไปเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าผีจริงเป็นยังไงไปอยู่ในป่าช้าดูเลยไปคนเดียวนะไม่ใช่ไปอืเราจะเจอผีจริงบนนี้เขานี่ก็เหมือนกันเน่ยเรากล้าจริงมาอยู่ดูสักคืนก็ได้อื บางคนอยู่ได้แค่สองทุ่มก็ขอกลับแล้ะเห็นผีเต็มไปหมดเลยผีมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจเราใจเราหลอกเราเองยิ่งกลัวมากก็ผียิงออกมามาก <laughs> อา๋อเหนื่อย <laughs> นะอย่าไปฟังพวกที่ไม่ปฏิบัตินะฟังผู้ปฏิบัติดีกว่าฟังครูบาอาจารย์ฟังพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าไปฟังพวกที่เรียนแต่ไม่ปฏิบัติกันเรียนเยอะเดี๋ยวนี้เรียนกันเยอะรู้กันมากแต่รู้ทางสัญญาไม่ได้รู้จากการปฏิบัติอาแล้วนะถ้าไม่มีอะไรก็ เกี่ยว่าอ่ะในข้ออะไรคือสงสัย่ะคะว่าอย่างอาชีพบางอาชีพเช่นทหารนะคะถ้าสมมติว่าเขาจําเป็นต้องฆ่าเพื่อบรรป้องประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันจะถือว่าเป็นบาปโดยที่เจตนาเขาไม่ได้แบบเกลียแคนแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ก็มันบาปแต่มันบาปน้อยกว่าบาปที่มีเจตนาก็จะเป็นเดรัจฉานไงฆ่าเพราะว่าท่าฆ่าเพื่ออยู่เพื่อรักษาชีวิตของตน อันนี้ก็แบบเดรัจฉานเดรัจฉานมันก็ต้องกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพื่อให้มันอยู่รอดก็จะเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าฆ่าเพราะความกอดเกลียดอาฆาตพยาบาทถึงจะเป็นนรกถ้าฆ่าเพราะความโลภอยากล่ำอยากรวยอยากมีมากๆอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นเปรตเล้วถ้าเราขับสมมุติไม่กินกรณีที่ว่าเราับรถชนสัตว์ไม่มีเจไม่มีเจตนาไม่บาปไม่บาปไม่มีความตั้งใจไม่บาป แต่มีความเสียหายก็คือผู้ที่ตายเขาอาจจะโกรธเกลียดเราอาฆาตพยาบาตเราก็ได้แต่แตเราค่อยอยู่กับเขาแต่เราไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปไปใช้กรรมที่เกิดจากการทำบาปวนันนี้แต่ จ, จะมีการจองเวรจองกรรมจากเขาได้หรือจากญาติพี่น้องของเขาได้ สอนพ่อแม่ได้ไหมครับถ้าเขารู้นกว่าถ้าเขาฟังสิ่ี่ขออาจารย์สอนถ้าเขาขอร้องให้สอนถึงจะสอนได้ไม่ขอก็อย่าไปสอนก็ปล่อยไปอสอนตัวเราก่อนสอนตัวเราก่อนที่กว่าเอสอนตัวเราก่อนทําตัวเราให้ดีเดี๋ยวแล้วเขาจะเห็นแล้วเขาก็จะให้เราสอนเองอย่างพ่อพพุทธเจ้าก็ขอให้สอนท่านถึงสอน ถ้าไม่อารานาท่านไปโปรดในวังท่านก็ไม่ไปต่อให้เราเห็นว่าเขา<ค>ถือว่าเป็นกรรมของเขาเป็นเรื่องกรรมของเขาไปเพราะถ้าสอนแล้วก็ไม่ฟังมันก็ไม่เกิดปะระโยชน์ใดแทนที่จะทําให้เขาสงบกรรมจะโกรธเกลียดเราขึ้นมาก็ได้ก็สอนได้อถ้าก็สอนถ้าก็คุยกับเราได้แล้วก็คุยกับเขาไป รอบโดยปกติกิเลสของคนเราทุกคนมันจะถือตัวไงพ่อเนี่ถือว่าเป็นผู้สอนลูกจะให้ลูกมาสอนพ่อนี่มันเสียสศักดิ์ศรีนอะอยต่อไปคุณมีลูกเรให้ลูกมาสอนคุณดูเลยนะอะแต่ถ้าเขาอยากจะให้สอนก็สอนได้แล้วก็ถามปัญหาเราก็ตอบได้อะไรให้ทําบาปนี้ผิดหรือเปล่าลวะเราก็บอกได้แล้ว ไม่ดีไม่ดีเพราะทำไปแล้วเนะี่ยใช่ไหมเช่นเขากินเหล้าเราไปบอกพ่ออย่า ก, กินนะกินเหล้าไม่ดีแล้วก็ถูกเตะทั้งนั้นแนละ้วลูกสอนแล้วจะเป็นบาปไม่ควรไม่ควรเพราะจะทำให้เกิดการโกรธเกลียดกันได้เสียความเคารพไม่มีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ขาดความกตัญญู เรามีหน้าที่รับใช้พ่อแม่เป็นการทดแทนบุญคุณท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอดอยากขาดแคลนนี้เราเลี้ยงดูท่านไปได้แต่สั่งสอนท่านไม่ได้อย่างลูกศิษย์ไม่ควรสอนครูบาอาจารย์ใช<ม>่ไหมอาจ า, า, า, ารย์คะเกิดอีกที่ <c oughs> ค้นแย้นเนีน่ย น, นะคะก็คือเป็นข้อสองค่ะเด็นาจะัญยาย มีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่ปรงแต่งไปในทางกิเลสจิตของพระพุทธเจ้าตอนที่ตัดสัลุแล้วท่านก็ยังใช้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสั่งสอนอบรมธรรมะอยู่ใช้ขันเป็นเครื่องมือของธทมก่อนก่อนที่ตอนที่ยังไม่ตัดสัลุนี่ขันเป็นเครื่องมือของกิเลสใช้ไปในทางความโลภความโกรธความหลง แต่พอค่ากิเลสหมดแล้วก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปใช้เพื่อเพื่อเผยแผ่สั่งสอนโปรดสัดให้ได้มีปัญญาให้ได้หลุดพ้นก็เพียงแต่ไม่ทำงานใช่ั้นไม่ใช้ขันยังต่อไปอย่างเหมือนก็มีรถอยู่แต่ไม่ขับไปไหนมาไหนก็จอดทิ้งไว้เฉยๆรถมันไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่คนขับ คนขับเมานี่ขับแล้วก็ชนคนแรบงบถ้าไม่เมาแล้วมันก็ไม่มันก็ขับก็ไม่เป็นปัญหาหรือถ้าไม่อยากไม่ออกไปไหนอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ต้องขับขันเป็นเหมือนรถยนต์เออ น, นีญาบางทีชอบมีความคิดว่าเราเห็นตัวเราตายเราเห็นพ่อแม่ตายเห็นคนรอกข้างตายนะครับมันเป็นความคิดที่เป็นปัญญา พยายามคิดบ่อยๆเป็นความคิดที่ดีเพราะจะทําให้เราโปร่งได้ไม่ใช่ว่าเราไปคิดไม่ดีกับเขาไม่มันเป็นความจริงมันไม่ดีตรงไหนนะมีใครไม่ตายบ้างเราไม่ได้ไปสาบไปแช่งไปขอให้เขาตายเรเพียงแต่คิดว่าเขาต้องตายอย่างนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้าไปคิดอยากเขาตายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่ดี ขอใมึงตายพรุ่งนี้วันนี้เถอดนะไ <c oughs> <c oughs> อ้ยางงี้ไม่ดีแต่ถ้าคิดว่าคนเรา <c oughs> เขาเกิดคนเราเกิดมาแล้วต้องตายไปในที่สุดนี้ดีเรียกว่าปัญญาเรียกว่ามรณานุสติอจะทําให้ตัดความโลภความโกรธความหลงไปได้เยอะแยะเลยพยายามเจริญบ่อยๆแต่อย่าไปพูดบอกเขาว่าคุณต้องตายคนต้องตายนะ <c oughs> ไม่ใช่สอนเพื่อให้เราทําใจให้ปล่อยวาง ให้เรายอมรับกับความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นที่เราไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจจะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่ถ้าเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเวลาเกิดขึ้นเราจะไม่ตกใจเราจะไม่เสียใจเพราะเราเหมือนกับมีตาทิย์เราเห็นอ น, นาคตแล้วเหมือนแทงหวยว่าต้องออกแน่ๆเลืนี้แทงไปเถอะถูกแน่ แทงเถิดความตายเนี่ยไม่มีใครไม่มีใค ร, ไ ม, มใครไม่ถูกถูกจังนั้นเนะี่ยเป็นอย่าตายเมื่อไหร่ทท เ, ททเท่านั้นเองคือจางเจ้าค่ะรู้จเรื่องจางทูที่นที่ยนะบอกว่าท่านอาจรย์เมือคืนจะมองปฏิ ท, ทักษ์เห็นตอกเลานะเห็นร่างกายใครก็จะเห็นหมดเห็นอาการสามสิบสองเห็นกระโหลกศีรษะเห็นโครงก็ดูกเห็นอุจจาร ะ, ะเห็นปัสสาวะอันนั้นไม่คือ เห ม, มืนว่าตอนที่เห็นนี่หมายถึงว่าเห็นเห็นด้วยตาไรหรือว่ายังไงจะไปก็เห็นอย่างที่คุณเห็นตอนนี้แหละเห็นใครก็เห็นขี้เข้าเลยเนี่ยถ้าถ้าอย่างนี้เราไม่ยังไม่ด้เป็นอนาคมีแต่หมาว่าเราเราตั้งใจเพื่อจะดูไม่ไ้เป็นอย่างนี้ก็ต้องดูก่อนว่าเวลาเกิดกรอารมณ์ยังมีการอารมณ์เหลืออยู่รึเปล่าถ้ายังมีการอารมณ์อยู่ก็ยังเป็นสัญญาอยู่ถ้าไม่มีการอารมณ์เหลืออยู่เลยก็เป็นปัญญา อยากจะรู้ว่ามีหรือไม่มีก็ต้องดูภาพโป๊บ้างดูแล้วดูว่ามันเกิดการอารมณ์หรือเปล่าเกิดระดับมันได้หรือเปล่าเพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามันมันมันดับจริงหรือเปล่าบางทีก็ต้องทดสอบต้องเข้าห้องสอบวิธีเข้าห้องสอบก็ต้องทดสอบดูภาพที่ทำให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้นึกถึงภาพที่ทำให้เกิดการอารมณ์แล้วมันเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดก็สบาย ถ้าเกิดระดับมันได้ก็ยังดีอยอ น, นั้นน่ะนี่คือเรื่องของการการพิจรารณาเรื่องอสุภะเพื่อดับการอารมณ์ที่ป่นคะถามเสริม จ, จาน้องคนนี่นะคะที่น้องบอกว่าคิดว่าแบบคนเรา้างตายสมมติตมว่าถ้าเราคิดว่าแบบวันนึงแม่หรือพ่อเราต้องจากไปแต่เราเกิดทางครัวที่จะไม่อยากให้เกิด อันนี้ก็เป็นเป็นกิเลสแล้วก็ต้องฝึกทําใจให้สงบก่อนเพราะว่าใจเรายังไม่สงบนี้กิเลสมันจะต่อต้านมันจะไม่ยอมรับความจริงอันนี้เราก็ต้องหัดนั่งทําสมาธิไปก่อนเพราะถ้ามีสมาธิจิตสงบแล้วมันก็จะการต่อต้านความจริงมันก็จะน้อยลงไปมันก็จะรับความจริงได้พระอาจารย์ถึงสอนว่าก่อนจะเจริญปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อน คนที่จเจริญปัญญาได้แสดงว่าเขามีสมาธิพอสมควรแล้วเขาจึงคิดเรื่องราวเลบานี้ได้ลองคนคิดถึงความตายแล้วหดหู่คิดไม่ได้อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปคิดมาทำพุทโธพุทโธไปก่อนทำใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วลองกลับมาคิดดูหม่จะ ม, มีเห็นความแตกต่างกันไหยว่าเริ่มคิดได้แล้วเพราะว่าเวลาสงบกิเลสที่ต่อต้านความจริงนี่มันจะถูกกดไว ไปถูกตัดกำลังลงไปอันนี้หมดแน่ๆแล้วนะเอาไว้โอกาสหนะ้าก็ยมาว่ากันใหม่